พระสุตตันตปิฎกขุทธกนิกายชาดกภาคสองเล่มสองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. เนมิราชชาดกว่าโดยพระเจ้าเนมิราชทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีพระาศาสดาตรัสว่า น อ, น, นอัศจรรย์หนอในการใดมีพระเจ้าในมิราชผู้เป็นบัณฑิตผู้ทรงประสงค์ด้วยกุศลในการนั้นคนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในโลกพระราชาผู้ย่ายีอริได้ทรงให้ทานแก่ชาววิเทหะทั้งปวงเมื่อพระองค์อยู่ก็เกิดพระราชดำริขึ้นว่าทานหรือพอรหมจันทร์อย่างไหน มีพลานิสง์มากเท้ามขวานเทพกุญชนสหสเสนรงซาประดมริของพระเจ้าเนมิราชทรงกำจัดความมืดด้วยรัศมีปรากฏขึ้นพระเจ้าเนมิราชจอมมนุษย์มีพระโลมาชาติชูชันได้ตรัสกท้าวาสวะวา่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกะผู้ให้ทานในก่อน รัศมีของท่านเช่นนั้นข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นหรือไม่ได้ยินมาเลยขอท่านจงแจ้งตัวท่านแก่ข้าพเจ้าขอความเจริญจงมีแก่ท่านพวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรท้าวาสวะทรงทราบว่าพระเจ้าในมิราชมีพระโลมาชาติชูชันได้ตรัสตอบว่าหม่อมชันเป็นทา้าวสกกะจอมเทพมาสู่สำนักพระองค์ท่าน พระองค์ผู้เป็นจอมนุษย์พระองค์อย่าทรงมีพระโลมชาติชูชันเลยเชิญตรัสถามปัญหาที่ต้องพระประสงค์เถิดพระเจ้าเนมิราชทรงได้โอกาสฉนั้นแล้วจึงตรัสกะท้าวาสวะว่าข้าแต่เทวราชผู้เป็นใหญ่แห่งปวงพูดมอมฉันขอทูลถามพระองค์ท่านท่านหรือพรหมจันทร์อย่างไหนมีพลานิสงมาก อมรินทร์เทพเจ้าอานอนรเทพในมิราชตรัสถามจึงตรัสบอกวิบากแห่งพรหมจรรย์ที่ทรงทราบแก่พระเจ้าในมิราชผู้ยังไม่ทรงทราบว่าบุคคลย่อมบังเกิดในคติยสกุลเพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำบุคคลได้เป็นเทพเจ้าเพราะประพฤติพรหมจรรย์ปานกลางบุคคลย่อมหมดจดวิเศษเพราะประพฤติพรหมจรรย์สูงสุด หมู่พรมเหล่านั้นอันใครๆจะพึงได้เป็นด้วยการประพฤติวิงวอนก็หาไม่ต้องเป็นผู้ไม่มีย่่อเรือนบำเพ็ญตบะธรรมจึงจะได้บังเกิดในหมู่พรมพระราชาเหล่านี้คือพระเจ้าทุทีป ร, ราชพระเจ้าสาครราชพระเจ้าเสลราชพระเจ้ามุจลินทราชพระเจ้าพักีระสราชพระเจ้าอุสินนรราช พระเจ้าอัฏฐกราชพระเจ้าอัศกราชพระเจ้าปุถุตนราชและกษัตริย์เหล่าอื่นกับพราหมณ์เป็นอันมากบูชายันมากมายก็ไม่ล่วงพ้นความละโลกนี้ไปชนเหล่าใดไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวย่อมไม่รื่นรมย่อมไม่ได้ปีติเกิดแต่วิเวกชนเหล่านั้นถึงจะมีโพคสมบัติเสมอด้วยพระอินทร์ก็ชื่อว่าเป็นคนเข็นใจ เราได้ความสุขที่ต้องอาศัยผู้อื่นหรือสีผู้ไม่มีเย่าเรือนเหล่านี้บำเพ็ญตบะธรรมได้ก้าวล่วงกามาวจรพบแล้วโดยแท้คือรือีเจ็ดตนอันมีนามว่ายามะหานุรือีโสมยาคะรือีมโนชวะรือสีสมุทะรือศีมาคะรือีพระตะรือี และกาละบุรักิตะรืีและรือีอีกสี่ตนคืออังคีรสะรืษีกสปะรืษีกีสวัชชะรือศีและอกันติรือศีแม่น้ำชื่อสีธามีอยู่ทางด้านทิศอุดรเป็นแม่น้ำลึกข้ามยากการจะนะบรรพศมีสีประหนึ่งไฟที่ไหม้ไม้ อ, อ้อโชดช่วงอยู่ในการทุกเมื่อ ที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นมีต้นกฤิณนางอกงามมีภูเขาอื่นอีกมีป่าไม้งอกงามแต่ก่อนมามีฤาษีเก่าแก่ประมาณหมื่นตนอาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นมอมฉันเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยทานด้วยสัญญะและธรรมะมอมฉันอุปถากดาบทเหล่านั้นผู้ปฏิบัติวัตรจริยาไม่มีวัดอื่นยิ่งกว่า ละหมูคณะไปอยู่ผู้เดียวมีจิตมั่นคงมอมฉันจากนมส ก, การนรชนผู้ปฏิบัติตรงจะมีชาติก็ตามไม่มีชาติก็ตามเป็นนิตยการเพราะสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์วันณะทั้งปวงที่ตั้งอยู่ในอธรรมย่อมตกนรกเบื้องต่ำวันณะทั้งปวงย่อมบริสุทธิ์เพราะประพฤติธรรมสูงสุด พระศาสดาตรัสว่าองค์มควาสุชัมบดีเทวราชตรัสอย่างนี้แล้วทรงอนุาสาตรพระเจ้าวิเทหรัชแล้วเสด็จหลีกไปสู่มูเทพในสวรรค์